อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจการปฏิบัติก็มีหลายแบบมีหลายวิธีแือถ้าเป็นการเจริญสติเราก็จะได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับหรือว่ารับรู้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจะการเจริญสตินี่เราเป็นการฝึกเพื่อที่จะรู้รับรู้โดยไม่ตัดสินจะเรียกว่าเป็นการ รับรู้สิ่งต่างๆหรือยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขก็ได้เพราะว่ากายและใจนั้นเนี่ยมันมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเราได้และนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งแวดล้อมที่พ้นวิสัยการควบคุมบัญชาของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีสิ่งมากระทบกายและใจให้เกิดสุขก็ดีให้เป็นทุกข์ก็ดีที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ดีหรือว่ามามากระตุ้นให้เกิด โลภะโทสะโมหะเกิดอาการต่างๆท า, างใจที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ดีสิ่งเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจควบคุมบังคับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือการรู้หรือเห็นมันตามที่เป็นจริงและการที่จะรู้และเห็นมันตามที่เป็นจริงได้เนี่ยมันก็ต้องไม่มีการตัดสินไม่มีการให้คุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้น มันก็จะมีความชอบและความชังตามมาและเมื่อชอบแล้วก็จะเข้าไปคลอเคลียหรือเข้าไปทำทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่กับเราได้นานๆซึ่งมันก็ขัดกับความขัดกับสภาพความเป็นจริงหรือถ้าเราไม่ชอบเราชังเราก็จะเข้าไปผักไสกดขม แต่เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่เหตุปัจจัยของมันยังไม่ดับมันก็จะยังอยู่ต่อไปแล้วเมื่อมันอยู่มันก็จะขัดมันก็จะฝืนกับความต้องการของเราที่หมายจะเข้าไปกดข่มปลักไสมันเมื่อใครเกัดความต้องการของเราอย่างนี้เราก็ทุกจิตใจแล้วก็ว้าวุ่นเมื่อสิ่งใดที่เราชอบ แล้วมันไม่อยู่กับเรานานๆเราก็ทุกข์เราก็ผิดหวังในทำนองเดียวกันเมื่อสิ่งใดที่เราชังและเราพยายามที่จะผลักให้มันออกไปแต่มันก็ไม่ยอมเราก็ทุกข์เราก็ว้าวุ่นใจและยิ่งเพิ่มความพยายามที่จะเข้าไปผักสายกดข่มมันแล้วไม่สาเร็จนะ ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นแม้แต่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆก็อาจจะทำให้คนเรานะกินไม่ได้มาไม่หลับหรือว่าอาจจะปรุงแต่งไปถึงขั้นนะอยากจะทำร้ายตัวเองได้นะเรียนไม่จบนะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าก็ยังอยู่ ก็ยังอยู่กันได้แต่ว่าถ้าไปหมายมั่นกับมันมากมก็จะเป็นทุกข์จนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ทำปริญญาเอกไม่จบก็ฆ่าตัวตายก็มีอยู่มากหรือว่าเป็นสิวรักษาไม่หายมันก็ยังอยู่น้อยเนื้อต่ำใจอับอายก็ฆ่าตัวตายได้ ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นจากใจที่ไม่อยอมรับความจริงใจที่พยายามไปผักใสแล้วก็ไม่รู้ทันให้ความผิดหวังความข้องขัดที่มันเกิดขึ้นนั้นเราเพียงแต่เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น กับกายและใจนะตามที่เป็นจริงเราก็ความสงบนะมันก็จะเกิดขึ้นโดยที่ถึงแม้ว่าธรรมชาติรอบตัวมันจะไม่แปรเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกายมันก็ยังมีทุกขเวทนาปรากฏอยู่ แต่ทีนี้มันก็ไม่บีบคั้นใจแล้วหรือ ว, ว่าเมื่อมีอความโกรธความเครียดปรากฏอยู่ที่ใจแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้มีความทุกข์กัฟัดกัเฟียดหรือร้อนรุ่มเพราะว่าเราก็สักแต่ว่าเห็นมันเฉยเฉยอันนี้เรียกว่าเป็นการยอมรับ มันตามที่เป็นจริงแล้วเมื่อยอมรับมันแล้วนะก็จะเห็นมันเห็นธรรมชาติของมันนะไม่ใช่แค่เห็นอาการของมันเท่านั้นแต่ยเัเห็นเห็นธรรมชาติของมันนะซึ่งถ้าเราเห็นไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าไตรลักษณ์เนะี่ยมันก็ปล่อยก็วางได้ได้อย่างสิ้นเชิง ในการที่เราจะฝึกใจให้เรายอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้ที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราเปิดใจที่จะให้สิ่งต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นกับกายและใจของเราได้ถ้าเราไปปิดกัน้นเช่นไปบังคับใจไม่ให้ไปรับรู้สิ่งต่างๆ อันนี้ก็ยังเรียกว่ายังเปิดใจไม่ยังไม่เปิดใจเท่าไหร่เนปะิดใจคือการยอมให้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับกายและใจของเราได้โดยเพราะที่ใจนะเราก็ไม่ไปไม่ไปบังคับจิตเพื่อที่จะให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะออกไปรับรู้สิ่งต่างๆได้ หรือไปบังคับมันตรงกระทั่งด้วยความตั้งใจที่ให้มันหยุดการปรุงแต่งอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดใจแล้วเปิดใจมันก็เราเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างบ้านแน่นอนบางครั้งอากาศบริสุทธิ์ก็พัดเข้ามาในบ้านแต่บางครั้งหมอกควันเสียงดังมันก็เข้ามาได้เหมือนกัน สำหรับนักปฏิบัติดยเพพาะการเจริญสตินะครับเราจะไม่ไม่ปิดหน้าต่างนะหรือว่าจะคัดกรองแต่อากาศที่ดีๆให้เข้าไปแต่ว่าเราเปิดให้มันโล่งเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเข้ามาได้ทั้งอากาศที่ดีทั้งอากาศที่ไม่ดี ทั้งเสียงที่ไพเราะและเสียงที่ไม่ไพเราะแต่ที่เราถ้าเราเปิดมากเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ออกไปออกไปได้มากเท่านั้นนะเราปล่อยให้มันเข้ามาแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราเปิดใจอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ออกไปเองออกไปโดยที่เราไม่ต้องไปออาพัดลมไปไล่นะมันมาแล้วก็ไปเอง เราก็ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตรนะนะเรียกว่าผู้รู้นะนะผู้ดูแล้วก็จะเห็นธรรมชาติของมันว่าเป็นอย่างนั้นเองนะการเปิดการเปิดใจนะมันก็จึงมีความหมายหลายระดับนะตั้งแต่เปิดให้เชยงตา่างสามารถเกิดขึ้นกับใจของเราได้ ไม่ว่าบวกหรือลบแล้วก็เปิดใจก็คือว่ายอมรับมันนะตามที่เป็นจริงโดยไม่ตัดสินนะโดยไม่พยายามอ่าเข้าไปผักไสนะหรือกดคมมันแต่ในราเดียวกันก็ไม่ใช่แปลว่ายอมจำนวนนะยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมจนวนนะยอมรับคือว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นรับรู้ว่ามันเกิดขึ้น ไม่ยอมจมนก็คือว่าไม่ไม่ยอมที่จะให้ใจเราไปอยู่ในอำนาจของมันหรือไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครองจิตคลองใจเช่นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็ก็จมหายเข้าไปในความโกรธจนทั่งร้อนรุ่มไปทั้งกายและใจหรือว่าเวลามันมีความคิดรุ่งสร้างเกิดขึ้นแล้วก็รู้แต่ไม่ได้ยอมจมนปล่อยให้มันกระชากลากถูกจิตใจของเรา ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างนะจนกระทั่งหาความสงบในจิตใจไม่ได้ถ้าเป็นการยอมรับรับรู้มันตามที่เป็นจริงอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือว่าด้วยใจเป็นกลางเนี่ย mm hmm. ก็จะทําทให้จิตนี้สามารถจะตั้งมั่นได้จิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นเพราะไม่เข้าไปผักใสกดขมแล้วก็ไม่เข้าไปคอเคลีย ให้ความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นนันมันก็นําไปสู่ความปกตินําไปสู่อความสงบได้แล้วก็ถ้าตั้งมัน่นเห็นมันตามที่เป็นจริงในสู่สก็จะกระจางแก่ใจนะว่าสิ่งเหล่านี้มันยึดมั่นถือมันไม่ได้เราะมันไม่สามารถจะยึดมาเป็นเราเป็นของเราได้ในที่จริงในช่วงที่เห็นมันตามที่เป็นจริงนั้นเนี่ยมันก็ เรียกว่าจิตก็สลัดจากความยึดมั่นไปได้แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอาการเช่นอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นกับกายและใจที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราก็จะเผลอไปยึดว่ามันเป็นเราทุกครั้งเช่นเวลาโกรธ ถ, ถ้าไม่เห็นมันก็จะไปสําคัญว่าเราโกรธเราเป็นผู้โกรธ ถ, ถ้าเครียดไม่เห็นมันก็ไปสําคัญว่าเราเป็นผู้เครียด หรือว่าความเครียดเป็นของเราแลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมีมันมีตัวเราเป็นผู้ทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเราเห็นมันเฉยๆนะไอการปรุงก็ไม่เกิดขึ้นคือปรุงว่าเป็นเราเราเครียดเราโกรธมันก็ไม่เกิดขึ้นนะความทุกข์มันก็เลยไม่ ไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์และตรงนี้เนี่ยมันก็สิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยไม่มีผู้ทุกข์จะมีโกรธมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธจะมีความเครียดแต่มีผู้เครียดนี่เพราะการที่เราอมีจิตตั้งมั่นก็คือเห็นมันเฉยๆนะโดยโดยโ ด, ย, ด, ย, ดยที่มีสติเข้าไปกํากับในะการที่จะไปยึดมั่น วามันเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีความสงบก็เกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่ต้องไปไปเจ้ากิจเจการไปวุ่นวายไปทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือไปพยายามไปบังคับบัญชากายและใจของเราถ้าเราทาถ้าเราสามารถที่มีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์และความคิดตามที่เป็นจริงได้ เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะมันก็เราก็สามารถเห็นมันด้วยจิตที่ตั้งมัน่นนะได้ได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยจิตเราก็จะถูกดูดกลืนเข้าไปในความทุกข์เราก็เอาทุกขเวทนาของของกายมาเป็นทุกขเวทนาของใจมีมีความสําคัญมากหมายว่าฉันจเจ็บฉันปวด ไอ้ตรงนี้นี่มันก็ทำให้ความทุกข์มันทวีตรีคูณมากขึ้นหรือว่าคูณสองคูณสามในเวลาเกิดทุกขเวทนาเนี่ยกับกายเนี่ยถ้าเราเห็นมันนะโดยที่ไม่ไปไปยึดมันสำคัญหมายหรือไปปรุงว่าฉันปวดฉันเจ็บให้ความทุกข์มันก็บรรเทาไปได้เยอะเรียกว่าหารสองหารสามไปได้ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในวิสัยที่เราจะาตั้งมั่นหรือว่าเป็นปกติได้าการเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับก า, รรายและใจตามที่เป็นจริงนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นปกติสุขหรือว่าสามารถที่จะสงบเย็นได้แม้ว่าสิ่ง รอบตัวมันจะผันผวนมันจะปนแปรหรือว่ามันจะมาบีบคั้นนะเราเพียงใดก็ตามและทุกวันนี้เราคิดจะไปพยายามไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ใจเราเป็นปกติสุขแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับมันด้วยสตินะยอมรับที่จะยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง โดยเริ่มต้นที่ใจของเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหาความสงบเย็นในจิตใจได้มีอะไรมากระทบกายมีอะไรมากระทบใจหรือว่าอย่าว่าแต่กระทบกายเลยกระทบใจแม้แต่กระทบสิ่งของเมื่อเรายึดมันถือมาว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็ทุกได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราเราไปทุกเพราะมีสิ่งบีบคั้น สิ่งนอกตัวแล้วเราก็ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมากเหลือเกินบ่อยเหลือเกินก็จึงหาความสงบไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจเรวรู้ที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น กับกายและใจตามที่เป็นจริงยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ย, ยอมรับโดยไม่ตัดสินแล้วเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้ช่วยให้เราสงบเย็นได้เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะไปช่วยคนอื่นได้ถ้าคนที่เขามีความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจก็ดีโดยเฉพาะที่ทุกใจมากๆเนี่ยบางทีเราก็เราก็สามารถช่วยเขาได้เพียงแต่ว่าเรา เปิดใจยอมรับเขาตามที่เป็นจริงเพราะว่าเมื่อเราเปิดใจยอมรับเขาเนี่ยนอกจากเราเองจะสงบแล้วให้ความสงบของเราก็สามารถจะช่วยให้เขาสงบได้เหมือนกันในยามที่เขาเอะอะโวยวายจะด้วยความโกรธดหรือว่าทุรนทุรายด้วยความปวดก็าตามความสงบของเราก็สามารถที่ทำให้เขาเนี่ยดิง่ง กลับคืนสู่ความสงบแล้วก็ไม่ถูกทรมานหรือว่าถูกเผาหลวนด้วยความด้วยอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ <c oughs> เคยมีนักเรียนคนหนึ่งขาเรียนเป็นประจำเป็นวัยรุ่นแล้ววันหนึ่งครูก็เรียกมาถามว่า ทำไมเขาถึงขาดเรียนเป็นประจำถามเท่านี้แหละเด็กนักเรียนก็ A R v y oh o, เออะโวยวายโมโหเขียงหนังสือแล้วก็เตะเก้าอี e, ้คว่มโต๊ะนความกลัวมันพุ่งพล่านขึ้นมาทีแรกครูก็ตกใจแต่สัพักก็ตั้งสติได้เด็กนักเรียนเออะวายแล้วก็ไม่ยอม ไม่อยอมคุยออกับครูเดินไปเดินมางุนง่านครูก็บอกว่าถ้าสงบแล้วนะค่อยมาค่อยมาพูดคุยออกับครูครูไม่ไม่ด่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บวยวายอะไรใส่นักเรียนหลังจากที่นักเรียนงุนง่านนะไปได้พักใหญ่ครูไม่ทําอะไรครูสงบแกก็ยอมมานั่งยอมมานั่งคุยออกับครู แล้วครูไม่ทันจะพูดอะไรมากเกี่ยวก็ระบายความน้อยเนื้อต่ําใจความครอ่แค้งความผิดหวังความรู้สึกว่าตัวเองนี่ถูกกระทําโลกนี้มาอยู่ติดทำกับเขาพูดถึงความกลัวพูดถึงความรู้สึกว่าเขานี่เป็นฝ่ายถูกกระทําเหมือนกับว่าจะพยายามที่จะแก้ตัวว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะถูก เป็นพรความที่ลมไม่ยุ่ติดทำกับเขาแต่สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะสงบได้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าตัวเองนี่ก็ทําผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเหมือนกันแล้วเขานี่เขาสามารถที่จะเอาเด็กเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเปิดใจล่วงเอาสิ่งที่ลึกๆออกมาจากใจของเขาได้ซึ่งไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะก็เพราะว่าครูนี่เขาสงบ พอครูสงบแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ความความที่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ความกลัวความเกลียวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่นานความสงบของเราความสงบของครูก็สามารถที่จะน้อมใจของเขาให้สงบได้โดยที่บางทีครูหรือว่าใครก็ตามก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าให้เธอสงบแต่ว่าความสงบของครูก็สามารถที่จะสะกด ใจเขาให้สงบได้แล้วมีคนป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็หมอนี่ก็ต้องให้ต้องใส่ท่อใส่ท่อให้อาหารแล้วก็ต้องมัดมือมัดเท้าเอาไว้เพราะว่า คุณยายท่านนี้แกก็จะพยายามดึงสายออกเพราะว่าปวดเพราะว่ามันลำคาญแต่เมื่อถูกมัดมือมัดเท้าอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้แกก็จะทํำยังไงแกก็จะเขย่าเตียงเขย่าเตียงเสียงดังแล้วคืนวันหนึ่งก็มีมีหมอฝึกใหม่มาะหมอเพิ่งเลือกเพิ่งเพิ่งจบใหม่ๆ ม, มาเข้าเวร เห็นคนป่วยคนนี้แกขยาวเตียงก็เลยไปคุยว่าเหนื่อยเหรอแกบอกไม่้เหนื่อยก็พยายามถามมาถามสาเหตุว่าทำไมถึงแกถึงเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็เลยถามว่าอยากจะถอดสายใช่ไหมแกก็พยักหน้า นี้หมอ ก, ก็เลยบอกว่าถอดไม่ได้นะถ้าถอดแล้วจะสายเข้าไปใหม่มันจะเจ็บมันเจ็บใช่ไหมแกก็ยอมแล้วว่ามันเจ็บนะเพราะนั้นหมอ ก, ก็เลยบอกาส่ถอดไม่ได้นะนะก็ต้องทนเอาหน่อยนะอพอผูอย่างนี้แกก็ขยวอวกนะหมอ ก, ก็บอกว่าอย่าขยาวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะนอนไม่หลับนะแ ก, กยังไม่ยอมนะยังขยาว แพนี่ไม่รู้จะทำาไงและสิ่งหนึ่งที่แกทำคือเกาแกก็ไปกลุ้มมือของของคนไข้เอาไว้แล้วก็มองศบตาแกไม่รู้พูดอะไรแนละ้วแกก็ทำอย่างนี้เกาก็กลุ่มมือแล้วศบตาพอศบตาเขาเนี่ยคนไข้ก็หยุดหยุดขยาเลยแลวแกก็สังเกตว่า ยายนี้แกก็จะกำมือของแกเนี่ยแน่นขึ้นแล้วแกพ อ, กอประสบตาก์ก็เห็นเหมือนกับว่าเห็นอาการเหงาของยายแกก็ถามว่ายายเหงาใช่ไหมยายก็ก็พิพตาเพียกหน้าว่างเหงาหมอก็เลยบอกว่างั้นหมอจะอยู่เป็นเพื่อนยาย แล้วแกอยู่อย่างนั้นแหละนิ่งๆสบตากลุ่มมือไว้แกไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแกรู้ว่นยามในเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยายต้องการเนี่ยก็คือว่าคนเป็นเพื่อนแกเล่าว่าเนี่ยอยู่ในอาการอย่างนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มมือสบตาแล้วก็นิ่งๆเนี่ยเป็นชั่วโมงได้จนเกือบเที่ยงคืนแ่ก็บอกว่ายายนะ มันดึกแล้วนะเนะี่ยหมอขอกลับก่อนนะแกก็ยอมนะแล้วนะคืนนั้นคืนแกก็เลิกแกก็ไม่ไม่ขยับอีกเลยในะที่แรกหมอเนี่ยแกเข้าใจว่าคนไข้ขย่าเตียงเพราะว่าปวดเพราะว่าลำคาญอยากจะดึงสายซึ่งก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอาการลึกไปกว่า น, นั้นเนี่ยก็คือความเหนา แต่เมื่อได้มีหมอมานั่งอยู่นิ่งๆนะกุมมือศบตามีคนเป็นเพื่อนมีคนมารับรู้ความรู้สึกของแกนะแกก็ก็เหมือนกับความทุกข์มันก็มัน เ, นเทาเบาบางลงไปไอ้แรงผักดันที่จะขยับเตียงมันก็หายไปท่อก็ยังอยู่นะแต่ว่า ดูดขย่าเตียงแล้วอันนี้ก็เป็นเพราะหมอนี่เขานะเขาสงบเขานิ่งแล้วที่เขานิ่งได้ก็เพราะว่านะเขาก็ยอมรับยอมรับยอมรับอาการของคนไข้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายเห็นใจแต่ว่าเขาสามารถจะพอเขายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยเขาสามารถจะเห็น เป็นอะไรที่ลึกไปกว่า น, นั้นว่าที่คนไข้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะารําคาญไม่ใช่เพราะปวดแต่เพราะเหงาซึ่งบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้เลยซ้ําว่าตัวเองเนี่ยที่เขย่าเตียงนี่เป็นเพราะเหงาหรือเป็นเพราะเป็นเพราะปวดกันแน่แต่ว่าการกระทําของหมอเนี่ยก็ทําให้คนไข้เนี่ยก็คงจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปวดนะมันไม่ใช่ราคาญนะจริงๆมันคือเหงาก็ได้ ความความความนิ่งของหมอนี้ก็สามารถที่ทำให้คนไข้นิ่งแล้วก็สามารถที่จะเห็นตัวเองได้ได้ชัดขึ้นเหมือนกับนักเหมือนกับนักเรียนที่เออะวายแล้วโทษโทษโลกโทษสังคมเสร็จแล้วในสุดก็ยอมแล้ ว, ว่าตัวเองนี้ก็มันก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันที่ไม่ไม่น่าให้อภัยสามารถที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้แล้วก็คุยกับครูได้ด้วยดี และตรงนี้สำคัญมากไอกค้ความความความนิ่งของเราเนี่ยมันช่วยช่วยคนได้โดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องแนะนำหรือไม่มีปัญญาที่จะไปแนะนำอะไรเขาได้แต่ว่ามันก็สามารถจะทำให้เขาได้ไ ด, ไ, ดได้สงบแล้วก็อาจจะรู้จักหรือเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นนะมันสามารถเยียวยาได้ความสงบของเรา ด้วยการที่เราเปิดใจยอมรับเขาโดยไม่ตัดสินว่าเขาเกเรหรือว่าเขาแ yeah ย่หรือว่าเขาควรต้องอทําอย่างน้อนอย่างนี้นะเพราะว่าเราตัดสินแล้วว่าเขาควรจะต้องอทําอย่างน้อนอย่างนี้นะถ้าการทำถ้าเราถ้าตัดสินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่จะเข้าไปบังคับเขา แล้ถ้าเขาไม่หรือเข้าไปบัญชาเขาถ้าเขาไม่ทําตามก็ยิ่งโกรธเมื่อยิ่งโกรธแล้วไอ้การที่จะไปรับรู้ถึงความในใจของเขาหรือการที่ช่วยทําให้เขาเนี่ยสงบลงก็เป็นไปได้ยากคนไข้สงบเพราะว่าหมอนี่ยอมรับยอมรับความเป็นจริงของเขาแล้วก็สามารถที่จะเห็นอะไรที่ึกเห็นปัญหาที่ลึกๆ ล, ล, ลงไปในใจได้ มันไม่น่าเชื่อนะว่าไอกกา้การการการสงบของเราหรือการนั่งฟังด้วยใจสงบแล้วหรือบางทีอาจจะมีการพูดคุยบ้างเนี่ยมันช่วยคนไข้ได้ไม่ใช่เพพาะคนไข้ที่มีความทุกข์ทางทางกายแม้ั้นทางใจที่เชียงใหม่นี่ก็มีมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลามไปลามไปถึงตับแล้วอาการหนักมากแต่ว่าแกทำใจได้ สิ่งที่ทำก็คือไปหาหมอหมอก็ให้คําแนะนำอะไรต่างๆแล้วกลับมากลับมาดูแลตัวเองที่บ้านโรงพยาบาลเพิ่มมีเขามีโครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้านก็มีอาสาสมัครคนมาเยี่ยมคนไข้คนเ น, นี้ยคนไข้คนนี้ก็อยายอายุไม่มากนะแค่ไม่ถึงสี่สิบมั้งก็มีอาสาสมัครมาเยี่ยม อาสาสมัครสมอคนนี้แปลกมากก็คือว่าเวลามามาหาเนี่ยแกจะพูดเป็นส่วนใหญ่คือปกติอาสาสมัครนี่ก็จะต้องฟังคนไทยใช่ไหมแต่นี่แกพูดแกกระตือรือร้นมากแกพูดพูดพูดพูดพูดพูดทั้งชั่วโมงแล้วคนไข้นี่เกดียดนะแกก็นั่งฟังฟังแล้วบางทีก็สังเกตว่าคนไข้อาสาสมัครเนี่ยพูดจาวกวนบางทีแล้วคนไข้ก็สะท้อนสะท้อนกลับ นะถ้ทอนก็ทำให้เขาเนี่ยจัดลำดับความคิดได้นะก็พูดจ า, าพูดจาเป็นเป็นเป็นขั้นตอนมากขึ้นแกมาทุกวันนะอาสาสมัครเนี่ยแล้วไม่แล้วมาเนี่ยไม่ใช่มาแค่เดือนเดียวแกมาเนี่ยติดต่อกันแทบทุกวันเป็นเวลาสี่เดือนแลกจแกพูดอย่างเนี้ยพูดตลอดตลอดนะคนไข้ก็าฟังคนไข้ก็ ซักถามบาที่แกก็หมุดหินนะคนไทยแต่ว่าก็ปล่อยวางได้เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาส า, าสมัครก็มาบอกมาสารภาพกับกับคนไทยว่าแกเนี่ยมีปัญหาทางจิตโรคจิตไม่รู้สึมเศร้าเลยหรือเปล่าแต่แกบอกว่าเดี๋ยวนี้แกดีขึ้นแล้วเมื่อวันเนี่ยจะบอกเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอหมอโรคจิตที่แก แกเคยไปหามาก่อนที่แกเป็นสาวสมัครเนี่แกไปหาหมอโรคจิตคนนี้จิตแพทย์แล้วจิตแพทย์คนนี้ให้แต่ยาไม่เคยคุยอะไแกเลยแกก็เลยไม่ไปก็เลยมาเป็นสาวสมัครแล้วก็เมื่อวานนี้แกก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ทักว่าคุณไปรักษาที่ไหนมาผมไม่ได้ไปรักษาเลยนะแก็ดีขึ้นนะแล้วแกก็มาขอบคุณคนไข้คนนี้ คนไข้จะเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่ว่ากับสามารถเดียวยาอาสาสมัครได้ของพวแกได้เพียงแต่นั่งฟังนะซึ่งแกคงต้องปฏิบัติธรรมอารําควรี่แกถึงจะฟังได้เ น, น, นี่ยนานถึงสเดือนนะแล้วแกะสะท้อนแกะสะท้อนเนี่ยเหมือนกับที่เราที่ทำเมื่อเมื่อเมื่อวานเนีทำให้การสะท้อนของเขาด้วยใจที่สงบด้วยมด้วยไม่ใส่อารมณ์ด้วยความโกรธหรือว่าหงุดหงิดเนี่ย มันทาให้คนไข้เนี่ยก็จัดก็รู้รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นคิดอะไรหายสับสนน้อยลงแล้วก็มันเยียวยาแก่ได้ด้วยเพราะตรงนี้นนอำนาจของอํานาจของขอ ง, ของความสงบนิ่งของเราที่เกิดจากการที่เรายอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงก็ตามหรือวยอมรับคนไข้ตามที่เป็นจริงโดยที่ไม่พยายามก็ไปคิดอยากจะไปแก้ไขเขาตั้งแต่แรก หรือคิดจ ะ, จะไปบงการตัดสินเขาเนี่ยมันมันมันช่วยเขาได้มากนะ mm hmm. เมื่อใจเรานิ่งแล้วเนี่ยนะ mm hmm. มันก็สามารถจะทำให้เขานิ่งได้โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวได้สามันมีมันมีพลังกว่าการที่เราไปบอกให้เขานิ่งนะ แต่โดยคนโดยที่คนบอกนี่อาจจะไม่นิ่งพอการที่เราบอกให้เขาทำใจสงบอาจจะมีพลังน้อยกว่าการที่เราเนี่ยสงบเสเองนิ่งเย็นให้เขาประจักษ์ได้และไอความทุกข์ที่มันรังควานเขาไม่ว่าจะเป็นโดยที่เขาอาจจะรู้สึกว่าที่เขา ทุกอย่างนี้เป็นเพราะอาการทางกายเป็นเพราะความจ็บความปวดเนี่ยมันอาจจะเบาบางไปเพราะจริงๆแล้วปัญหาที่แท้หรือว่าตัวการใหญ่กว่าทุกเวทนาก็คือไอ้ความทุกข์ใจไอ้เป็นความเหงาอย่างที่คุณยายวันนี้เนี่ยแกแกเป็นแกขยาวไม่ใช่เพราะปวดไม่เพราะรำคาญ น, นั่นส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆเพราะความเหงาและความเหงาาก็ยิ่งไป ไปขยายไปลุกลามความปวดความลความทุกข์ทางกายให้มันลุกให้มันมากขึ้นไม่ใช่ว่าความปวดไม่มีไม่ใช่ว่าความความความเจ็บไม่มีแต่ที่มันมันมันลุกลามขยายตัวจนกระทั่งอาละวานี่เป็นเพราะว่าในความทุกข์ในใจมันยืนพื้นอยู่แล้วและสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีมันไม่มียาที่จะรักษาแต่ว่า ความความเมตตาของอีกฝ่ายหนึ่งความสงบของเขามันสามารถช่วยเยียวยาก็ได้และความเมตตานี้เนี่ยมันสื่อถึงกันได้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดใจยอมรับยอมรับผู้ทุกผู้ยากเนะโดยที่ไม่ไปไม่ไปตัดสินหรือไม่ไปไม่ไปรังเ ก, กียจผักใส เมื่อใดก็ตามที่เราเราไม่ยอมรับเขาอาจจะด้วยความปรารถนาดีเราจะยอมรับเขาแต่เราไม่ยอมรับอาการของเขาเราไม่ยอมรับความโวยวายของเขาเราทนความบุบเบล์เขาไม่ได้มันก็จะมีมวะมความคาดหวังแล้วเมื่อเขาไปเปตามความคาดหวังเราก็ไม่พอใจเราทุกเมื่อเราทุกข์ใจเราไม่สงบ เขาก็สามารถจะรับรู้ทางสายตาทางอาการหรือทางคําพูดได้แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเราจะอยากจะให้เขาเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริงเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแน่นอนคิดว่าการที่เราการที่เรายอมรับการที่เราเปิดใจเนี่ยยอมรับตนเองตามที่เป็นจริงยอมรับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเรา มันก็คือมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับคนอื่นได้เลยว่านคนที่เ้ามีความทุกข์จนกระทั่งอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้และเมื่อเรายอมรับเขาได้เนี่ยมันก็กลับมาช่วยทำให้เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ได้ง่ายขึ้น ก็ไปรับการยอมรับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากในการปฏิบัติเราจะเห็นใจที่มันไม่ยอมอยู่สุขมันใจที่เป็นปฏิกิริยากับอาการต่างๆที่ผุดขึ้นมาความปวดความเครียดความหมุดหิดความฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราลองยอมรับมันตามที่เป็นจริง จะพบว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ใจเราก็สงบได้ทั้งๆ้งที่มันยังอยู่แต่ว่าสงบได้มากขึ้นอันนี้เพราะนนเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องการเปิดใจยอมรับอย่างไม่ตัดสินหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันสำคัญมากทั้งกับเราเองแล้วทั้งกับคนที่เรารักหรือคนที่เราเ้ยไปช่วยเขา เปิดใจคือรับฟังเขาโดยไม่ไม่โดยไม่ตัดสินโดยไม่แทรกโดยไม่ขัดร่วมรับรู้ทุกสุขของเขาด้วยความเข้าใจเขานะแล้วบางที่เปิดใจก็ลงนึงว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางไอสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาด้วยหรือว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางไอความทุกข์ที่อาจจะเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟัง แล้วก็ไม่เท่าทันตัวเองก็จะทุกข์นะรับเข้ามาเปิดใจรับเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วก็เปิดใจปล่อยออกไปอย่างง่ายดายอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นศิลปะทีเดียวนะสำหรับการทําตนให้เป็นสุขแล้วก็ช่วยผู้อื่นเป็นสุขได้ทํางานเราถึงจะเปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ แล้วก็ปล่อยออกไปได้อย่างง่ายได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสติเป็นอย่างยิ่งและถ้าถ้ามีปัญญาเข้ามาประกอบมาเป็นฐานด้วยก็ก็จะง่ายก็อยากจะฝากเช้านี้อาจจะเพียงเท่านี้ขอเราทำความสงบสักพักนะก่อนที่จะเลิกกัน